สวนดอกไม้คือกรมคุณปุปผ่านิเฮวะปะจินันตังวิยาส ต, ตสักมณสรังณรังสุดตังคามังมโหโควะม จ, จุอาดายะัจติมจุคือความตายยอมพัดพาอาบุคคลผู้มีใจคล้องในอารมณ์ต่างๆผู้เลือกเก็บดอกไม้คือกรมกรมคุณห้าอยู่เหมือนห่วงน้ําใหญ่ไหลหลากพัดพาเอาชาวบ้านผู้หลับอยู่เช่นั้นอธิบายกว่า ดอกไม้ในพระคาถานี้ทรงหมายเอากรรมคุณห้ามีรูปเป็นต้นเพราะยั่วยวนให้พรมรกล่าวคือมนุษย์หลงไหลวนเวียนอยู่คนที่รู้โทษของกรรมคุณแล้วอยากออกแต่มีเครื่องจองจำบางอย่างเช่นบุตรคอยมัดมือและทาไวไม่ให้ออกไปได้ส่วนคนใหม่ยังไม่รู้รส ถ, ถูกแรงกระตุ้นทั้งภายในและภายนอกคอยกระตุ้นเร่งเล้าให้อยากเข้าไปในที่สุดก็ตงอยู่ในภาวะอย่างเดียวกันคือถูกจองจา และมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นผลที่ว่าเลือกเก็บดอกไม้คือกรรมคุณอยู่นั้นหมายความว่าเมื่อได้กรรมมีรูปเป็นต้นแล้วก็หาพอใจในรูปนั้นไปนานสักเท่าไหรไม่ใจซัดสายไปในรูปใหม่ต่อไปอีกเห็นรูปนั้นก็หนาได้นี่ก็หนาได้น่าเป็นของเราเหมือนคนเข้าสวนดอกไม้เห็นดอกไม้สะพรั่งดอกนั่นก็หนาเก็บดอกนี่ก็หนาเก็บหนาดอมดมชมเชยไปเสหมดชื่อว่าเป็นผู้หลงไหลอยู่ในสวนดอกไม้นั้น นอกจากนี้ใจยังข้องในอารมณ์ต่างๆอีกเช่นความติดข้องในสมบัติต่างๆมีช้างมาวัวกวายนาสวนบ้านเรือนเป็นต้ น, ป, นปรรพชิตก็ติดข้องในบริขารมีบาดทะจีวรหรือเส น, สนาสนะอันสวยงามเป็นต้นรวมทั้งติดข้องในอาวาัตถะความเป็นใหญ่ชื่อเสียงลาบและบริวารเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าผู้มีใจข้องในอารมณ์ต่างๆมาจุคือความตายย่อมพัดพาบุคคลเช่นนี้ไปสู่ห่วงน้าลึกคืออบายสีเหมือนห่วงน้ําธรรมดา พัดพาเอาชาวบ้านปูหลับอยู่ให้จมลงในแม่น้ําพัดพาออกสู่ทะเลลึกต้องเป็นเหยื่อของสัตว์น้ํามีปลาเป็นต้นพระศาสนาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่เมืองสาวัตถีทรงปรารบพระเจ้าวิทูธพะพร้อมทั้งบริวารซึ่งถูกน้ําท่วมสวรคตมีเรื่องย่อดดังนี้เรื่องพระเจ้าวิทูธพะพระเจ้าวิทูธพะเป็นพระโอรสในพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลกับพระนางวาสพาคติยา ราชธิดาของท้าวมหานามแห่งศากยะวงศ์แต่พระนางประสูติจากพระมารดาซึ่งเป็นทาสีรวงกวาว่าเป็นลูกของหญิงทาสแต่มีพ่อเป็นเจ้าในศักยะวงศ์เรื่องพระเจ้าวิถูถภะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการล้างแค้นที่ศักยะวงศ์ทําความเจ็บช้ําแก่พระองค์เรื่องที่พระเจ้าเปเสนที่กูรศลได้พระนางวาสภคัติยามาเป็นพระมเหสีก็เป็นเรื่องน่ารู้ขอนํามากล่าวไว้ในที่นี้แต่โดยย่อวันหนึ่งพระเจ้ารปเสนที่กูรศนแห่งสาวัตถี ประทับยืนที่ประสาทชั้นบนทอดพระเนตรไปที่ถนนเห็นภิกษุหลายพันรูปกําลังเดินไปเพื่อฉันอาหารที่บ้านของอนาถปิณดิกะเศรษฐีบ้างบ้านของจุฬาอนาถปิณดิกะเศรษฐีบ้างบ้านของนางวิสาขาและนางสุปวารสาบ้างเมื่อพระราชาสงสารเขามีพระประสงค์จะเลี้ยงพระบ้างจึงเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลนิมนต์พระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงศ์สวยพระกยาหารที่พระราชนิเวศเจ็ดวันในวันที่เจ็ ทุนพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ขอพระองค์และพระสงฆ์สาวกจงรับภิกษาคืออาหารในวังเป็นนิิ์เถิดพระศาสดาสัตว่ามหาบอบผิดธรรมดาพระพุทธเจ้าย่อมไม่รับอาหารประจําในที่แห่งเดียวเพราะประชาชนเป็นอันมากหวังการมาของพระพุทธเจ้าคือต้องการให้พระพุทธเจ้าไปเสวยที่บ้านของตนบ้างพระราชาขอให้ส่งภิกษุรูปหนึ่งเป็นหัวหน้ามาแทนพระพุทธองค์ พระศาสดาทรงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพระอานนท์พระราชาทรงอังคาดคือเลี้ยงพระสงฆ์ด้วยพระองค์เองไม่ได้ทรงมอบหมายให้ใครเป็นเจ้าหน้าที่แทนพระองค์ทรงกระทําติดต่อมาอีกเจดวันพอวันที่แปดทรงลืมเนื่องจากไม่ได้ทรงมอบหมายเจ้าหน้าที่ไว้จึงไม่มีใครกล้าทําอะไรว่าพระองค์จะทรงระลึกได้ก็เป็นเวลานานภิกษุกลับไปเสียหลายโรปในวันต่อมาก็ทรงลืมอีกภิกษุส่วนมากคลอนไม่ไหวจึงกลับไปเสีย เหลืออยู่จำนวนน้อยต่อมาอีกวันหนึ่งทรงลืม อ, อีกภิกษุกลับกันไปหมดเพื่อแต่พระอนุลรูปเดียวเมื่อพระราชาทรงระลึกได้ก็เสด็จมาทอดพระเนตรเห็นแต่พระอนุลเท่านั้นอยู่เพื่อรักษาความเรื่อมสายของตระกูลทรงเห็นอาหารวางเรียงรายอยู่มากมายแต่ไม่มีพระอยู่ฉันวันนั้นได้ทรงอังค่าพระอนุลเพียงรูปเดียวทรงน้อยพระไถว์ว่าภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้ า, าไม่ได้เอื้อเฟือมิได้ทรงรักษาพระราชศรัทธาเลย เมื่อขาดพระนรนเสร็จแล้วเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญข้าพระองค์จัดแจงอาหารไว้สําหรับภิกษุห้าร้อยรูปแต่มีพระนนรูปเดียวเท่านี้อยู่ฉันนอกนั้นมิได้อยู่ทําให้ของเหลือมากมายภิกษุสงไม่ได้เอื้อเฟือมิได้รักษาศรัทธาของข้าพระองค์เลยพระศาสดาไม่ได้ตรัสโทษภิกษุสงแต่ประการใดเพราะทรงรู้ทรงเข้าพระทัยทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตรัสกับพระราชาว่า มหาบ่าผอผิดพระสงฆ์คงจักไม่คุ้นเคยกับพระราชกุลจึงได้กระทำดังนั้นต่อจากนั้นพระศาสดาทรงแสดงตระกูลที่มีลักษณะก้าประการซึ่งภิกษุควรเข้าไปและไม่ควรเข้าไปตรัสเล่าถึงเรื่องเกสวดาบทในอดีตแม้ได้อาหารอันประณีตในพระราชวังของพระเจ้าพรหมทัตเมื่อป่วยรักษาเท่าไรก็ไม่หายแต่เมื่อได้ไปอยู่กับศิษย์อันเป็นที่คุ้นเคยก็าหายวันหายคืนโดยไม่ต้องบริโภคยาอะไร ทรงแสดงถึงความคุ้นเคยสนิทสนมว่าเป็นรถอันเลิศพระราชามีพระประสงค์จะให้ภิกษุสงฆ์คุ้นเคยในราชสกุลทรงหาอุบายว่าควรกระทําอย่างไรดีหนอทรงดําริว่าหากพระองค์เป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าภิกษุคงจักคุ้นเคยควรจักขอเจ้าหญิงแห่งสักยวงศ์มาเป็นพระมเหสีสักองค์หนึ่งจึงทรงแต่งพูดถือพระราชสารไปยังกรุงกบิลพัฒน์ขอเจ้าหญิงองค์ใดองค์หนึ่งมาเป็นพระมเหสี ฝ่ายทางศักยะวงศ์ถือตนว่าสกุลสูงกว่าพระเจ้าประสิทธิี่โกศลแต่เวลานั้นแวลนโกศลเป็นรัฐมหาอำนาจอยู่ดูเหมือนว่าแวลนสักกะของศักยะวงศ์จะขึ้นกับแว้นโกศลด้วยซ้ําไปดังนั้นเรื่องพระเจ้าประสิทธิทูลขอเจ้าหญิงจึงทําความลาบากพระทัยให้แก่พวกศักยะไม่น้อยครั้นจะไม่ถวายก็เกรงพระราชอำนาจแห่งพระเจ้าโกศลครั้นจะถวายก็เกรงสกุลของพวกตน จะไปฝากผลกับเลือดแห่งสกุลอื่นอันถือว่าต่ำกว่าพวกตนเมื่อประชุมปรึกษาเรื่องนี้กันนานพอควรแล้วท้าวมหานามจึงเสนอที่ประชุมว่าหม่อมฉันมีธิดาอยู่คนหนึ่งชื่อวาสภคัติยาเป็นลูกของทาสีเธอมีความงามเป็นเลิศพวกเราสมควรให้นางแก่พระเจ้าประเสริฐที่กศลที่ประชุมเห็นชอบจึงจัดแจงส่งพระนางวาสภคัติยาไปถวายพระเจ้าประเสริฐที่ไม่สงสานจึงโปรดปรานมาก พระราชทานสตรีห้าร้อยให้เป็นบริวารต่อมาพระนางประสูติพระโอรสพระนามว่าวิทูธพะความจริงก่อนให้ทูตรับพระนางมาพระเจ้าประสิทธิ์ที่ก็ทรงป้องกันการถูกหลอกเหมือนกันแต่ไม่วายถูกหลอกคือทรงกําชับพระราชทูตไปว่าจะต้องเป็นพระราชธิดาที่สวยร่วมกับกษัตริย์เช่นเท้ามหานามเท้ามหานามไม่ขัดข้องทรง ท, ทําทีเป็นสวยร่วมกับพระนางวาสภคัติยาให้ราชฑูต ด, ดูแต่มิได้สวยจริง คงจะมีแผนให้เกิดเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งจนสวยไม่ได้ต้องเลิกในทันทีทันใดสมมุติว่ามีแผนให้มหาเล็กวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาทูลว่าไฟไหม้พระราชวางังซึ่งจะต้องเลิกสวยในทันทีเพื่อไปดูแลดับไฟแม้พระนามวิทูสะพะนั้นก็ได้มาโดยฟังมาผิดคือเมื่อพระกุมารประสูติแล้วพระเจ้าเปเสนทิทรงส่งราชทูตไปทูลขอพระนามแห่งพระกุมารใหม่จากพระอียิกาคือยายพระเจ้ายาย พระราชทานว่าวลภาแปลว่าเป็นที่โปรดปานแต่ราชทูถูตึงฟังเป็นวิทูตภะพระเจ้าประเสริฐที่ก็ทรงพอพระทัยต่อพระนามนั้นต่อมาเมื่อพระชนมายุได้สิบกวิทูตภะกุมารเสด็จเยี่ยมกรุงกบิลพัทความจริงพระมารดาพยายามทัดทานหลายครั้งเพราะทรงเกรงพระราชโอรสจะไปทรงทราบเรื่องราวเข้าแต่พระกุมารทรงยืนยันว่าจะเฝ้าพระอายกา ไอิกาให้ได้พระนางจึงรีบส่งสารลงนาบไปก่อนเพื่อให้พระญาติปฏิบัติต่อวิทูธพระอย่างเหมาะสมแต่พระนางก็ต้องผิดหวังเพราะสิถีมานะของพวกศักยะมากเหลือเกินแต่เป็นเหตุให้เกิดเรื่องใหญ่ฆ่าฟันกันตายมากมายเมื่อทราบข่าวว่าวิทูธพระกุมารจะเสด็จเยี่ยมกรุงกบิลพัททางศักยะองค์ก็ประชุมกันว่าจะต้อนรับอย่างไรพวกเขาไม่ลืมว่าพระมารดาของวิทูธพระนั้น เป็นทิดาของนางทาสีตัววิทูธพะเองแม้จะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าประเสริฐที่ก็จริงแต่ฝ่ายมารดาวณะตำ่ำวิทูธพะจึงไม่ได้เป็นอุพตสุชาติพวกเขาไม่สามารถให้เกียรติอย่างลูกประัตรได้จึงจัดแจงทรงพระราชกุมารสากักยะที่พระชนมายุน้อยกว่าวิทูธพะออกไปชนบทหมดเป็นการชั่วคราวทางนี้เพื่อมิให้ต้องทําความเคารพบุตรแห่งทาสี เมื่อวิทูรพะเสด็จถึงทางก บ, บิลพัทก็ตอบรับดีพอสมควรพระราชกุมารที่ไหวคนนั้นคนนี้ซึ่งได้รับการแนะนําว่าเป็นตายายลุงป้านาะอาและพี่เป็นต้นแต่ไม่มีใครสักคนเดียวที่ไหวพระราชกุมารก่อนเมื่อวิทูรพถามผู้ใหญ่ก็บอกว่าพระราชกุมารรุ่นน้องๆได้ไปตากอากาศในชนบทกันหมดไม่มีใครอยู่เลยวิทูรพะเก็บเอาความสงสัยไว้ในใจ พระองค์ประทับอยู่เพียงสองสัมวานก็เสด็จกลับพกเอาความสงสัยติดพระไทยไปด้วยว่าเหตุฉไฉนพระองค์จึงได้รับการต้อนรับอย่างชายเย็นเหลือเกินขณะที่เสด็จออกจากวังแล้วนั้นบางเออรนายทหารคนหนึ่งลืมอาวุธไว้จึงวิ่งกลับไปเอาได้เห็นหญิงรับใช้คนหนึ่งกําลังเอาน้ําเจือน้ํานมล้างแผ่นกระดานที่วิฐุธภะประทับป่าก็พร่ำดาว่านี่คือแผ่นกระดานที่วิฐุธพะบุตรของนางทาสีนั่นการเอาน้ําเจือด้วยน้ํานมล้างนั้น ถือเป็นการล้างสนิทจนไหลออกไปนายทหารผู้นั้นก็ไปถามทราบเรื่องโดยตลอดเมื่อกลับมาถึงกองทัพก็กระซิบบอกเพื่อนๆเนสียงกระซิบกระซาบแผ่วงกว้างออกไปจนรู้กันหมดทั้งกองทัพพระสสราชกุมารก็ทรงทราบด้วยเป็นครั้งแรกที่ทรงทราบกําเนิดอันแท้ จ, จริงของพระองค์ว่าสืบสายมาอย่างไรทรงพิโรธมากอาฆาตพวกศักยะไว้ว่าเวลานี้ขอให้พวกศักยะล้างแผ่นกระดานที่ประทับนั่งด้วยน้ําที่เจอด้วยน้นํานมก่อน แต่เมื่อใดทรงได้ราชสมบัติในแกล้นโกศลเมื่อ น, นั้นจะเสด็จกลับไปล้างแค้นโดยเอาเลือดในลําคอของพวกศักยะล้างแผ่นกระดานนั้นเมื่อถึงสาวัตถีพวกอมมาได้กราวทูลเรื่องทั้งปวงให้พระเจ้าเปรเตริทรงทราบทรงพิโรธมากรับสั่งให้ถอดพระนางวาสภคัติยาและวิทูตภะออกจากตําแหน่งพระมเหสีและราชกุมารตามลำดับทรงให้ริบเครื่องบริหารและเครื่องเกียรติยศทั้งปวง พระราชทานให้เพียงสิ่งของที่ท่าและาสีควรจะใช้เท่านั้นต่อมาอีกสองสามวันพระศาสดาเสด็จมายังพระราชนิเวศพระเจ้าประสิทธิฐทิทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสบอกว่ามหาบพิษพวกศักยักษ์กระทำให้สมควรเลยเมื่อจะถวายก็ควรจะถวายพระราชธิดาที่มีชาติเสมอกันจึงจะควรครู่หนึ่งผ่านไปพระศาสดาจึงตรัสอีกว่าแต่อาตมาภาพใคร่ถวายพระพรว่าพระนางวาสพาคติยานั้น เป็นทิดาของขัติยราชได้รับการอภิเสกในพระราชนเทียของขัติยราชฝ่ายวิถุตภากุมารเหล่าก็ได้อาศัยขัติยราชนั้นและประสูติแล้วมหาปิติตระกูลฝ่ายมารดาไม่สู่จะสําคัญนักสําคัญที่ฝ่ายปีดาแม้บัณฑิตแต่โบราณก็เคยพระราชทานตําแหน่งอาคาัครเมเหสีแก่หญิงยากจนหาเฟินขายและพระราชกุมารอันประสูติจากกัรของสตรีนั้นก็ได้เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในนครพาราสี พระนามว่าขัตถวาหนราชพระราชาทรงสลับคาถาของพระศาสดาและทรงเชื่อจึงรับสั่งให้ ร, ราชาทานเครื่องบริหารเครื่องเกียรติยศแก่พระนางวาสภาคติยาและวิทูทภพกุมารดังเดิมต่อมาวิทูทะกุมารได้ราจัสมบัติโดยการช่วยเหลือของทีฆาการายนะเสนาบดีทีฆาการายนะนั้นเป็นหลานของพันธุระเสนาบดีซึ่งพระเจ้าประเสณทธิวางอุบายให้คนของพระองค์ฆ่าเสีย โดยที่พันธุละไม่ได้มีความผิดแต่มีบางพวกยุยงว่าพันธุละต้องการแย่งรายสมบัติในนครสาวัตถีพระเจ้าประสิทธิทรงเชื่อเมื่อพันธุละพร้อมได้บุตรสามสิคนตายแล้วพระราชาทรงทราบความจริงในภายหลังทรงโทมนัสมากไม่สบายพระไทยไม่มีความสุขในราชสมบัติทรงประทานตําแหน่งเสนาบดีให้แก่ทีฆาการายนะผู้เป็นหลานของพันธุละเพื่อทดแทนความผิดที่พระองค์ทรงกระทาไปทีฆาการายนะ ยังผูกใจเจ็บในพระราชาว่าเป็นผู้ฆ่าลุงของตนคอยหาโอกาสแก้แค้นอยู่เสมอวันหนึ่งพระเจ้าประสิทธิเสด็จไปเฝ้าพระาศาสดาที่นิคมชื่อเ ม, เมทะลู ป, ปักของพวกศากยะทรงให้พักพลไว้ใกล้พระอารามเสด็จเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาแต่พระองค์เดียวธีขะการายนะได้โอกาสจึงมอบเครื่องราชกุขภัณฑ์อิสริยยศของ ก, กษัตริย์ให้วิถุธภะ แล้วนำพลกลับพระนครสาวัตถีมอบราชสมบัติให้วิทูธภะครองรวมความว่ า, วาทีฆาคารายณะกับวิทูธภะร่วมกันแย่งราชสมบัติฝ่ายวิทูธภะก็พอพระไทยเพราะต้องการมีอำนาจสมบูรณ์เพื่อล้างแคนศักยะได้เร็วขึ้นแต่ปีนั้นก็เป็นปีที่พระเจ้าเพรศินทีมีพระชนมายุถึงแปดสิบแล้วนับว่าอยู่ในวัยที่ชรามาก พระเจ้าประสิทธิเสด็จตลับจากการเฝ้าพระศัสดาไม่ทรงเห็นไพร่พลมีแต่หมาตัวหนึ่งกับหญิงรับใช้คนหนึ่งอยู่ที่นั้นทรงทราบความแล้วเสด็จไปยังเมืองราชเกลืเพื่อขอกําลังของพระเจ้าอาชาตศัตรูมาปราบวิธุูถะและกาไรยนะแต่เสด็จไปถึงหน้าเมืองราชคกลืในค่าวันหนึ่งประตูเมืองปิดแล้วไม่อาจเสด็จเข้าเมืองได้จึงทรงพักที่สาลาหน้าเมืองและสิ้นพระชนในคืนนั้นเพราะความหนาวหนึ่งทรงเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางหนึ่ง และเพราะทรงพระชรามากหนึ่งตอนเช้าเมื่อประตูเปิดแล้วประชาชนชาวราชครือได้เห็นพระศพและฟังเสียงหญิงรับใช้ข้ามโควนว่าราชาผู้เป็นจอมแห่งชาวโกศลจึงนำความนั้นกราบทูลพระเจ้าอาชาตสตรพระเจ้าอาชาตสตรให้รับพระศพเข้าไปถวายพระเพลิงสมพระเกียรติยศฝ่ายพระเจ้าวิทูตภะได้ราชสมบัติเป็นกษัตริย์แล้วอันความแค้นกระตุน้นเตือนอยู่เสมอนี่อาจทรงยับยั้งได้จึงเตรียม กรีธาทัพพปยํำยีพวกศากยะพระศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตว์ตะวโลกเวลาใกล้ลงทรงเห็นความพินาศจะมาถึงหมู่พระญาติมีพระพุทธประสงค์จะทรงบำเพ็ญยาตัทจ ร, ริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพระญาติจึงเสด็จไปประทับณพรมแดนระหว่างโกศลกับสากยะประทับณใต้ต้นไม้มีใบน้อยต้นหนึ่งทางแดนสากยะถัดมาอีกเล็กน้อยเป็นเขตแดนของแกว้งโกศล มีต้นไทรใหญ่ใบหนาร่มครึ้มขึ้นอยู่พระเจ้าวิถุดดาภะยกกองทัพผ่านมาทางนั้นทอดพระเนตรเห็นพระาศาสดาจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าถวายบังคมและทูลว่าพระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุไรจึงประทับใต้ต้นไม้อันมีใบน้อยในเวลาร้อนถึงป่านนี้ขอพระองค์โปรดประทับนั่งนักโขนต้นไทรอันมีร่มครึ้มมีเงาเย็นสนิท ด, ดีทางแดนโกศลเถิดขอถวายพระพรมหาวาพิต ร่มเงาของพระญาติเจ็นดีพระเจ้าวิถุตภะทรงทราบทันทีว่าพระศาสดาเสด็จมาป้องกันพระญาติอันหนึ่งพระเจ้าวิถุตภะทรงระลึกได้อยู่ว่าการได้รับตําแหน่งมเหสีของพระมารดาและตําแหน่งราชโอรสของพระองค์เองคืนมานั้นเพราะการช่วยเหลือของพระบรมศาสดาพระคุณนั้นยังฝังอยู่ในพระไทยคนที่มีความพยาบาทมากมักเป็นคนมีความกระตันอยู่ด้วยเหมือนกันคือจําได้ทั้งความร้าย และความดีที่ผู้อื่นกระทําแก่ตนด้วยประการชนี้พระเจ้าวิจุธุทธะจึงยกทัพกลับเมืองสาวัตถีแต่ความแค้นในพระทัยยังคงคุกรุ่นอยู่พระองค์จึงทรงกรีธาทัพไปอีกสองครั้งได้พบพระศาสดาในที่เดียวกันและเสด็จกลับเหมือนครั้งก่อนพอถึงครั้งที่สี่พระศาสดาทรงพิจารณาเห็นบุคกรรมของพวกศักยะที่เคยเอายาพิษปโปรยลงในแม่น้ําทําให้สัว์น้ำํำตายหมูเป็นอันมากกรรมนั้น กำลังจะมาให้ผลพระองค์ไม่สามารถตามทางขัดขวางได้จึงไม่ได้เสด็จไปในครั้งที่สี่พระเจ้าวิูุสภะเสด็จมาถึงพรมแดนนั้นไม่ทอดพระเนตรเห็นพระาศาสดาจึงเสด็จเข้ากบิลพั์จับพวกศักยะฆ่าเสียมากมายไม่เว้นแม้แต่เด็กที่กําลังดื่มนมอย่างทานโลหิตให้หลังไหลแล้วรับสั่งให้เอาโลหิตในลําคอของพวกศักยะล้างแผ่นกระดานที่เคยประทับนั่งแล้วเสด็จกลับสาวัถี เสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำอัจิรวดีในเวลาคำ่ำจึงให้ตั้งค่ายพักในที่นั้นไพรพลของพระองค์เลือกนอนได้ตามใจชอบบางพวกนอนที่หาทรายในแม่น้ำบางพวกนอนบนบกหรือริมฝั่งขึ้นไปพอตกดึกน้ำจะท่วมหลกักผู้ที่นอนบนบกแต่ได้ทำคำไว้ร่วมกันมาก็ถูกมดแดงกัดลงไปนอนที่ชายหาดส่วนพวกนอนที่ชายหาดก็ถูกมดแดงกัดจึงเปลี่ยนที่นอนขึ้นไปนอนข้างบน มหาเมฆกั่งเข้าทางเหนือน้ำฝนตกใหญ่น้ำหลากแย่งรวดเร็วพัดพาเอาพระเจ้าวิธุปถะและบริวารบางพวกลงสู่มหาสมุทรตายกันหมดในวันรุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาเรื่องพระเจ้าวิธุปถะว่าเมื่อความปรารถนาของพระองค์ใหถึงที่สุดก็สิ้นพระชนพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากคือสิ้นพระชนในขณะที่ยังมีความปรารถนาอื่นๆอยู่อีกมากพระาศาวซาลาเสด็จมาสู่ธรรมสภาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายเมื่อมโนรถของสัตว์ทั้งหลายยังไม่ถึงที่สุดนั่นเองมัจจุราชก็เข้ามาตัดชีวิตินทรีแล้วให้จมลงในสมุทรคืออบายสี่ดุดห่วงน้ำใหญ่หลากประท่วมชาวบ้านผู้รลับอยู่ฉะนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าปุพ้านิเหวะปัจินันตังเป็นอาทิมีในยะดังได้พรฒ น, นามาแล้วแต่ต้น